ก็รู้ว่าลงมันนะพราะต่อลงเขากั บ, กบมาบแต่ว่าต้องการเขเห็นว่ามันมันยังเนแบบีมันก็เไม่ไม่ได้ติดไมไม่ต้องเป็นสบา ย, ยามันตลอดเด้ดูไปด้มนดูคนอื่นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจเหมือนคนอื่นดูอย่างนี้นะความทุกข์ก็ไม่มีที่จะตั้ง ดีแล้วคุณหมอดูไปนะดูไปอา้าวโยมโน่นเป็นไงแม่นิบอ่ะได้ภาวนาบ้างไหมนะทำเรื่อยๆอ่ะเดินเดินแล้วคอยดูใจเดินไปเดินไปใจหนีปีกคิดรู้ทันเดินแล้วใจไปเพ่งนิ่งๆขึ้นมารู้ทันนะเดินแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงเดินรู้ทันใจเองไปเรื่อยนะออจาน การปูคูนีนัดปนกันด้วยเออดีแล้วรู้ไบใช้ได้หัดรู้สภวาวะไปแล้วสภวาวะธรรมคือรูปนามกายใจนี่แหละจะสอนธรรมะเราคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะแต่การที่เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจกายกับใจจะสอนเรา สอนถึงขนาดถึงจุดหนึ่งเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราพอระวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็จะพ้นทุกข์จริงๆของคุณนั่นแหะถัดไปเป็นไงเพิ่งเริ่มเหอพ่งเริ่มเหี่ยวเลิกเร็วก็แล้วกันเริ่มไปเรื่อยๆนะขยันดูนะไปดูอ่านใจตัวเองไปรู้สึกไหมแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็เป็นทุกข์นะบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่เป็นไงนิพิทาประคองไหมดูเรื่อยๆยังประคองนะดูออกเปล่าน้องแอสตันเอนอมันก็ต้องรู้เท่าที่รู้แหละตอบถูกนะตอบอย่างนี้ไม่ผิดหรอกรู้ให้บ่อยหน่อยก็แล้วกันรู้เรื่อยๆ รู้สบายสบายเอาผู้กำกับว่างไงผู้กำกับฝึกนะฝึกแล้วมีความสุขไปใครไปใครมาเข้าใกล้เรานะก็มีความสุขเนี่ยยิ่งกว่าเมตตามหานิยมอีกดูครูบาอาจารย์นะแก มากๆกถ้าเป็นผู้ชายผู้ทั่วไปแก่อายุ80 90ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครูบาอาจารย์ภาวนามาตลอดชีวิตยิ่งแก่คนยิ่งอยากเข้าใกล้นะ ม, มีเมตตามหานิยมนะอัตโนมัติสะพาดูของเราไปเอาหนุ่มนี่เออเอเ อ, เอ ใช่ใแล้วนะดูไปนะดูจนเห็นมันมันร่วมเป็นแท็กทีมไม่เกี่ยวกับเราเลยะนะเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันร่วมกันเป็นทีมดีแล้วที่เห็นอย่างพระราชือตระกูลในยุทธศาสตร์ที่เราเรียนมาสมาในสาก็เห็นเกิดดาบเกิดดบเกิดดาบเิดนี่บอวอย่างงานดาบมนไม่ออกเป็นปัญญาแต่อมอนมีใครตอบคืคอคือสงบระพักผ่อนไป พอจิตถอยออกมาก็ไปรู้ความติดแสงของจิตไ ป, ไ ป, ตไปใชนะ่จิตเข้าไปพักก็ให้เขาพักไปไม่ฝืนก็หรอกนะให้เขาพักไปแต่ว่าถ้าพักนานไม่ยอมเจริญปัญญานะหลายเดือนก็อยู่อย่างนั้นนี้นต้องแก้แล้วต้องออกมาค้นคว้าพิจรารณาร่างกายอะไรเงี้ยให้มันคิดให้มันทํางานไม่ให้ติดเฉยแต่ขอเราไม่ได้ติดเฉยของเราเป็นแค่สงบการทําสมาธิถอยออกมาจิตก็ทํางานเจริญปัญญาได้ ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะเอา้าคุณถัดมาอันนี้เกิดก็ น, นั่งนะอะไรนะดังไหมตอนแรกเก่งอยู่ครับเออเออนะยังเกรงหน่อยๆนะดีแล้วดูไปเห็นสภาวาะแล้วใช้ได้แล้วอ่ะคุณดูเรื่อยๆดีแล้ว อ่ะใครจะส่งกันบ้านต่ออ่ะเออดีงงรู้ว่างงเลยนะคือตัวไม่ตายมันมีสองตัวตัวสงสัยสงสัยทำไงดีนะตัวหนึ่งขี้เกียจเบือ่อขี้เกียจพอเบื่อแล้วเลิกปฏิบัติพอสงสัยแล้วคิดนะแทนที่จะรู้อ่ะ อาจาร์อาจาร์ตู่อ่ะเออมันวางเองนะแบกบมันก็แบกเองอ่ะไม่ได้ช่วยมันแบกบมันก็ไปแบกเอาดีละดูไปเรื่อยเห็นแต่ว่าเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยรู้สึกไหมนะยิ่งกว่กากรรมกรทาคอะไรนั่นอะีกนะทำทั้งวันทั้งคืนหน้าอานาถ มันเหนื่อยเพราะมันวิ่งหรือมันเหนื่อยเพราะไปดูมันไม่ต้องทานถ้าพยายามไปตามให้ทานไปเหนื่อย ตอนเรากลังฝืนธรรมชาติอยูนะ่ะให้ตามรู้นะไม่ใช่ไปดักไว้ก่อนไม่ให้ไปคอยจ้องไม่ต้องรู้ลงปัจจุบันหรอกการดูจิตไม่เหมือนดูกายดูกายดูลงปัจจุบันดูจิตให้ตามรู้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นตัญหาเกิดขึ้นทางสวรรค์ทั้งหกนะใจก็จะวิ่งไปทางสวรรค์ทั้งหกไม่ต้องไปห้ามมันแล้วไม่ต้องไปดักดูว่าตัญหาจะเกิดตอนไหนอะไรเงี้ยนะไปดักไว้ก่อนไม่ได้นะมันจะเหนื่อยถ้าดูเล่นๆไม่เหนื่อยหรอก แล้วไงอีกอะไรนะอ้าวประจูน <music> อ <Jedi travels smoking>, yeah, ้าวจูนก็ปเรื่อยเหนกเยปนออะไรอีกตไปเรื่อยีหนัก้เหนัก็นในว่าไม่ใช่ตัวเรา อา่าเลือกไม่ได้ะนะนี่ก็ เ, เห็นความไม่เที่ยงนะนะั่นแหละเออดีนะฝึกแปกนะตอนนี้ในห้องนี้จะเกิดครึ่งหนึ่งนะเห็นสภาวะละในห้องนี้เห็นสภาวะเยอะแยะนี้การที่เราจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดต่อไปสติจะยิ่งเกิดมากขึ้นมากขึ้ น, นจิตมันรู้จักสภาวะ<แ>ได้แม่นได้มาก อมันเป็นอย่างนั้นทุกคนนะเป็นทุกคนนะแล้วทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเลยบางวันเหมือนมกนักผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นนะเป็นธรรมดาอย่างนั้นนะบางวันทีปฏิบัติไม่เป็นรูปนึงก็จะเข้าไปเออนนเป็นความสําคัญจิตของเรานะที่จริงก็คือไม่ต้องไปพยายามหรอกนะเขากําลังสอนธรรมะเราว่ามันไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้นะเขาไม่ใช่ตัวเรา แต่เราอยากบังคับก็ให้ได้ตามใจชอบรู้สึกไหมอยากให้เป็นอย่างใจในขณะที่เขาพยายามสอนเราตลอดเวลาเลยว่าบังคับฉันไม่ได้หรอกบางวันเหมือนมกนักผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วบางวันภาวนาไม่เป็นแะ้วไม่ต้องตกใจนะเป็นทุกคนแหละดีแล้วทําไปทําถูกแล้วนะการที่พวกเราถึงวันนี้หลายคนนะครึ่งห้องเริ่มมีสติสติเกิดได้เรื่อยๆสติเกิดบ่อยๆ พระพุทธเจ้าสอนบอกว่ากราบใดที่มีผู้เจริญสติลาหันจะไม่หมดไปจากโลกนะหรืออย่างน้อยพระโสดาสกิถากาอะไรนี้เขาเป็นอันหวังไดนะ้งั้นมีหน้าที่เจริญสติไปเรื่อยนะอยากให้สติเกิดก็รู้สภาวะไปเรื่อยๆรนะืสติเกิดเองพอสติเกิดแวบขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่คือตัวสัมมาสมาธินะจิตตั้งมั่นจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นตัวปัญญา ส่วจิตก็จะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงบังคับมันไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันทํางานของมันเองบังคับไม่ได้ต้องดูซ้ําแล้วซ้ําอีกจิตนี่เป็นของที่เรายึดถือมากว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้ยึดถือน้อยนะไม่ค่อยยึดถือเท่าไหร่ว่าเป็นเราเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่มองเห็นร่างกายนี้หน้าตามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ต, ตอนเด็กกับเดี๋ยวนี้หน้านตาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเที่ยงแต่จิตเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ เนี่ยมีคนเดิมอยู่ดังนะนั้นถ้าคอยรู้จิตที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดีย filler, เด๋ยวอกุศลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยว figured, ks, Mus, ดีเดี๋ยวร้ายอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปทางตาไปทางหูไปทางใจนะถึงวันหนึง่งปัญญาแจ้งนมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วเพราะกายก็ไม่ใช่เราไปก่อนหน้านั้นละคราวนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเยกาสักจจะทิฏฐิถูกละไปไม่เห็นผิดว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเรา เมื่อสักยะที่ถีถูกล่าไปแล้วมีคนมาถามนะมาถามหมอนัฐมาถามแล้วถัดอย่างนี้ทํายังไงอีกของแกตัดไปแล้วถัดจากนี้ก็ดูอีกดูอย่างเดิมรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปขั้นแรกเบื้องต้นเราฝึกรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเบื้องปลายเนี่ยฝึกเพื่อจะละความยึดถือในกายในใจในจะละความยึดถือกายไปก่อนสนใจเนี่ยหวงแหนที่สุดเลย พอวางใจลงไปแล้ววางสนิทนะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกความทุกข์ก็จะหมดไปมีบทสวดมนต์อันหนึ่งนะท่านบอกขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักอะ่ะคนแบกของหนักพาไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเคยได้ยินไหเนี่ยพระริยาเจ้าหมายถึงพระอรหันต์วางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ใจของเราหยิบฉวยดูยออกไหมยิบหยิบหยิบหยิ บ, ยบไปเรื่อยนะ ห้ามไม่ให้หยิบก็ไม่ได้ไม่เชื่อที่หยิบไปเรื่อยๆให้รู้คอยดูไปหยิบที่ไรเป็นทุกร่ําไปเนี่ยท่นบอกหยิบที่ไรก็เป็นทุกร่าไปดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันฉลาดมันเริ่กหยิบเองไม่ใช่เราไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้อา้ารัดเป็นไงรัดเป็นบา่งครั้งไม่ทุกครั้งนะถ้ารู้ถูกต้องเนี่ย จิตก็เบิกบานนันบ้างเป็นอุเบกขาบ้างมีสองอย่างบางทีก็เป็นกลางบางทีก็มีความสุขชอยแผ่วๆขึ้นมานะชอยปุดขึ้นมาดังจิต ท, ที่เป็นกุศลมีเวทนาสองชนิดเรียกว่ามีสมานัตเวทนามีความสุขความเบิกบานมีอุเบกขาเวทนาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มนวล น, นะไม่ใช่กลางแข็งกระด้างถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วก็มีความทุกข์ทุกเยอะ มีความสุขก็ได้นะจิตอาภูสนนะเช่นไปขโมยก็ได้ดีใจมีความสุขเนี่ยงั้นถ้าจิตของเราเป็นกุศลมีความสุขขึ้นมาก็ถูกต้องแต่ว่าเราจะเอาความสุขมาวัดว่าจิตเป็นกุศลไม่ได้นะจิตอาภูสุก็มีความสุขแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ชี้ขาดได้เลยอกภูสุแน่นอนความทุกข์ทางใจเกิดแก่จิตอกภูสนเท่านั้น มีหลายอย่างนะความรู้สึกทุกข์เนี่ยความรู้สึกทุกข์เนี่ยเป็นอันหนึ่งตัวของมันเป็นสภาวะของทุกข์เป็นอีกอันหนึ่งจะค่อยๆเรียนไปตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์นะแต่ว่าตัวมันเองก็บางทีมีความสุขขึ้นมาได้ตัวทุกข์นะลึกซึ้งมีหลายเกรดหลายระดับแลมเป็นไงแลมฮะเป็นไงเรื่อยๆแม่สอนให้บอกอย่างนี้เปล่า อะไรเรื่อยๆแหละแลมจิเลสเกิดบ่อยไหมแลมเห็นจิเลศไหมวันหนึ่งเห็นกี่ทีได้เป็นร้อยไหมน่าจะถึงนะโอ้ดีใช้ได้ดีมากเลยนะมีพระองค์หนึ่งนะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนนี่ท่านไปบวชอยู่สามวัดทางอีสาน ให้เขียนจดหมายมาเล่าเร่องได้แต่เดิมท่านก็ภาวนาไงสติไม่เกิดทําไงก็ไม่ยอมเกิดท่านก็อยากได้นาฬิกาปลุกเห็นเขาขายนาฬิกาปลุกเห็นเโฆษณานะอยากได้นาฬิกาปลุกสองนาทีเขย่านีจะได้ตื่นกับเขาบ้างนิหาไม่ได้ไม่มีคนให้นิดเดิมท่านะเป็นนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่นับเชื้อโรคมีเครื่องนับเชื้อโรคอยู่เวลาสองกล้องเห็นเชื้อโรคตัวหนึ่งก็กดแก๊กนึง มันจะขึ้นเลขไว้เป็นตัวนับเคาน์เตอร์พอท่านเอาตัวเนี้มาใช้เผลอทีหนึ่งกดทีหนึ่งเผลอทีหนึ่งกด ท, ทีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้บอกได้วันจะสามร้อยกว่าครั้งละเผลอว่าละสามร้อยกว่าครั้งไอช้ชักเข้าท่าแต่ท่านบอกว่าเวลาที่ท่านไปบินธบาตเวลาอาบน้ําเวลากวาดวัดเวลาฉันข้าวเนี่ยกดไม่ได้นอย่างบินธบาตไปแล้วกดไปนะไม่มีใครกล้าใส่บาท้าเดินหนีเลยนะ เขาไม่ได้กดแต่แขนาดที่ไม่ได้กดนั้นน่ะจิตไหลแวบก็เห็นแวบก็เห็นนะเนี่ท่านจําสภาวะจิตของท่านจําสภาวะาของความหลงความเผลอได้ละพอ <c oughs> เผลอไปก็รู้สึกเผลอไปก็รู้สึกต่อไปจะยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆค <c oughs> วามรู้สึกตัวการอยู่กับปัจจุบันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นมันะ <c oughs> ถี่มากเข้ามากเข้ามันจะรู้สึกเหมือนกัะรู้สึกว่าต่อเนื่องที่จริงไม่ต่อเนื่องหรอกความรู้สึกตัวก็เกิดดับอีละกษณะแต่พอเกิดที่จีก็เลยเหมือนต่อเนื่อง งั้นแลมดีแล้วนะกิเลสเกิดได้เป็นร้อยครั้งดีแล้วเอาให้ได้พันครั้งนะเออจะไม่มีเมียเลย <c oughs> อาบคุณผู้ชายนั่นเป็นไงคุณที่ใส่แว่นตา <c oughs> อ, อ๋อธรรมดานะส่วนมากพวกเทวดาเลยภาวนายากมีแต่ความสุขนะับเพลินเๆลินเลินไป แต่เวลาจิตใจมีความทุกข์มันต้องขันหันมาต่อสู้ก็ขยันดูมความทุกข์ก็ดีเหมือนกันนะทําให้ขยันปฏิบัติให้ดูไปนะอย่าเอาแต่ตอ่อ <c oughs> ทุกข์นะตอนสุดก็ดูนะเอาผัดมาผัดมาหลบใหญ่เอา <c oughs> เป็นไงคุณผู้หญิงนั่นอะเผลอเยอะไหมหรือเผลอนาน <c oughs> <c oughs> เผลอนานไม่ดี ถ้าเราเผิอนานเราต้องมีเครื <owner gef> <necessary> ่องช่วยนะเครื่องช่วยทําให้เผลอสั้นลงก็คือเครื่องหัดรู้สภาวะนั่นเองให้เราทํากรรมฐานที่เราเคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยทําต่อไปคนไหนเคยพุทโธพุทโธต่อไปคนไหนดูลมหายใจดูต่อไปคนไหนดูท้องคองยุบดูต่อไปนะใครยกเท้าย่างเท้าก็ยกเท้าย่างเท้าต่อไปใครขยับมืออย่างหลวงพ่อเจียนขยับต่อไป ขยับไปแล้วเพื wow. okay ่อคอยรู้สภาวะนะไม่ใช่ขยับธรรมดาหรอกแต่ขยับเพื่อคอยรู้สภาวะเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกจิตเราหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็คอยรู้ทันเอาหรือหัดพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ะหัดรู้ทันสภาวะของจิต บาคนฝึกดูท้องผองยุบดูต่อไปไม่ต้องเลิกนะดูท้องผองยุบไม่ใช่ไปเพ่งท้องถ้าไปเพ่งท้องเป็นสมถนะถ้าดูท้องผองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตนะจิตไปเพ่งที่ท้องก็รู้ทันจิตนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันจิตในสุดเราก็จะรู้จักสภาวะของจิตนี้เยอะแยะเลยนะหัดรู้สึกไปนะทุกวันก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยทำทำทุกวันนะไม่ลาเลย แต่ทําเพื่อหัดสังเกตสภาวะไม่ใช่ทําเพื่อให้สงบอย่างเดียวละส่วนใหญ่เราชอบทําเพื่อสงบนะลองเปลี่ยนมาทําเพื่อให้รู้จักสภาวะจิตเหลือไปคิดก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลคอรู้เรื่อยๆนะพอจิตมันจําสภาวะได้นะฝึกดูทุกวันทุกวันนะจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองจะเกิดในชีวิตประจําวันจะเกิดทีขึ้นทีขึ้ น, นไม่เผลอนาน เฉั้นการปฏิบัติเรายังเป็นเพื่มือใหม่ก็ต้องมีเครื่องช่วยนะการปฏิบัติตามรูปแบบนั้นแหละเปเครื่องช่วยเราเป็นที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักผลิตอุบายเป็นอุบายเท่านั้นแหละนะผลิตอุบายขึ้นมาทําอย่างนั้นซีทําอย่างนี้สิถ้าเราตั้งหลักให้ถูกนะทําไปเพื่อให้เกิดสติเราก็ใช้ได้ถ้าทําไปเพื่อเพื่อจะเพ่งเพงไม่อยู่อย่างเดียวนะใช้ไม่ได้ดอกได้แต่สมถะอย่างหัดพุดโทโธพุโทโธเราก็มุง่งแต่ความสมงบก็ได้แต่สมถะ หาย ใ, ใจไปเรื่อยๆให้ใจน้อมเข้าไปเกาะลมหายใจก็เป็นสมถะดูท้องคองยุบนะใจเกาะอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยก็เป็นสมถะจิตลงไปแช่นิ่งๆอยู่เป็นสมถะเดี๋ยวตัวก็เบาขึ้นมาตัวโครงตัวลอยตัวใหญ่ตัวหนักนะวูบวาบอะไรต่างๆนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่วิปัสนาญาณแต่ถ้าเราหาอารมณ์กรรมฐานที่เคยทํามาทําเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะคอยรู้สภาวะเราไปสติจะเกิดเอง รสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆการเห็นสภาวะบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานหมายถึงมีสติรู้กายเนืองเนืองเวทนานุปัสนาก็คือมีสติรู้เวทนาเนืองเนืองจิตตานุปัสนาก็มีสติรู้จิตเนืองเนืองรู้เนืองเนือก็คือรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจิตก็จำสภาวะได้พอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเอง นะไม่ต้องสั่งให้เกิดจะเกิดเองสติตัวจริงเกิดเนี่ใจจะตื่นขึ้นมานะใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวแล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นนะจะเห็นต่อไปอีกเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะถ้าสติรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราถ้าสติไปรู้รู้จิตจะเห็นว่าจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ดูไปนานๆก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเหมือนกันนะนี่ทางเดินเดินอย่างนี้นะเพะแม้การปฏิบัติตามรูปแบบ เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญไม่กวนละเลยนะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมแต่ท่านั่งสมาธิก็นั่งดูสภาวะไปหัดดูสภาวะไปเดินจงกรมก็หัดดูสภาวะไปจิตเผลอไปก็รู้เพ่งก็รู้นะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้นี่สุดจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองทั้งวันเลยคราวนี้นี่แต่บางวันเราเหน็ดเหนื่อยหลากลำ ม, มาก้าเราไปนั่งสมาธิจิตก็รวม สงบลงไปก็ได้พักผ่อนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ได้สมถนะได้พักผ่อนวันนพักผ่อนพอแล้วเราก็ขึ้นมาหัดรู้สภาวะต่อนะอย่างกระทั่งการหายใจอย่างเดียวนะทำได้ตั้งหลายแบบนะนะอย่างเรานั่งหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วใจเราเคลิ้มลงไปลืมเนื้อลืมตัวหายใจแล้วขาดสติอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเป็นการหายใจที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะขาดสตินะ หายใจอีกแบบหนึ่งก็คือน้อมจิตของเราไปอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นน้อมไปอย่างสบายๆจิตใจเคล้าอยู่กับลมหายใจอย่างสบายๆอันนี้จะได้สมถนะนะตรงที่เคลิม้มลืมเนื้อลื ม, ลมตัวนั้นไม่ได้กระทั่งสมถะได้โมหะแทนยิ่งฝึกกีเลยิ่งเยอะนั้นหายใจไปแล้วก็ใจเข้าไปเคล้าแนบอยู่กับลมนะได้พักผ่อนได้สมถะ หายใจไปแล้วคอยหัดรู้สภาวะไปใจนี้ไปก็รู้ใจเป็นเพ่งก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการหายใจเพื่อหัดรู้สภาวะนะต่อไปสติจะเกิดอะไรเกิดแลปลกปลอมขึ้นในจิตนะสติจะรู้เองเลยไปเดินวิปัสสนาด้วยการดูจิตในชีวิตประจําวันไดนะ้อีกแบบหนึง่งนั่งหายใจไปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้หายใจอยู่เราเป็นคนดูก่ายนี้มันหายใจรูปมันหายใจรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหว อันนี้ก็เป็นการเจริญมิปัสสนาด้วยการรู้กายด้วยการรู้รูปนะเห็นไหมแค่หายใจนนะยังทำกรรมฐานได้หลายแบบนะทำแบบไม่มีสติเลยก็เรียกไม่ได้ทำกรรมฐานนั่งหลับนะทำสมรถก็คือเอาใจเข้าไปแนบเคล้าไว้กับลมหายใจนะจะหัดดูสภาวะเพื่อให้เกิดสติไปเจริญสติในชีวิตประจำวันนะก็คอยดูสภาวะไปนะอยากเจริญปัญญาด้วยการดูกายดูรูป ดูลงไปเลยร่างกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยทำได้ตั้งหลายแบบนะดูท้องพองยุบก็เหมือนกันดูไปแล้วเคลิ้มขาดสติใช้ไม่ได้เลยดูแล้วจิตลงไปแนบอยู่ที่ท้องนะไม่หนีไปไหนสงบมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมานี่เป็นสมถะนะดูท้องพองยุบไปแล้วจิตไหลไปก็รู้จิตมาเพ่งท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่เป็นการหัดรู้สภาวะ เดี๋ยวจะไปเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ง่ายอีกงานนึงดูท้องคองยุคไปเห็นรูปที่พองรูปที่ยุบที่เกิดดับไปรูปที่พองก็อันหนึ่งรูปที่ยุบก็อันหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากต้องมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากนะการดูรูปอย่าไปเพ่งลงไปแล้วถ้จิตหายไปไม่ได้บางคนฝึกกรรมฐานมีแต่รูปนะเหลือแต่ท้องอันเดียวลืมจิตไปเลยมันคือการเพ่งรูปเพ่งรูปสูงสุดจะได้อะไรได้รูปประชานที่สี่ รูปไปชั้นที่สี่เรียกจตุตาชาญถ้าเรียกอย่างอภิธรรมเรียกว่าชันที่ห้าชันที่สี่หรือชา้นที่ห้านี่เพ่งรูปจิตแนบอยู่กับรูปไม่หนีไปไหนเลยถ้าเกลียดนามำนี่นะจิตเจียบพลิกเข้าเป็นอสัญญีลืมตัวเองเลยนั่งตัวแข็งทื่อๆหมดสติไปเลยเหลือแต่กายอันเดียวเหลือรูปอันเดียวเรียกว่าเป็นกมรูปปักเหลือขันเดียวไม่มีนามขันไม่มีความรู้สึกนึกจิตงั้นต้องระมัดระวังการปฏิบัติถ้าไปหลงเพ่งรูปนะ ถ้าอาจจะพลาดเป็นผมลุก ป, ปักได้ขาดสติไปเลยลืมเนื้อลืมตัวจิตเจอหายไปหมดเลยนะกลายเป็นต้นไม้ไปนี่นกรรมฐานจริงๆถ้าเข้าใจหลักเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาสัก ง, งานหนึ่งทำกรรมฐานได้ทั้งหมดเลยนะถ้าไม่เข้าใจหลักแล้วก็หยิบอะไรมาก็ผิดหมดเลยสูงที่สุดที่ทําได้ก็คือการเข้าไปเพ่งไว้ได้สมถะนี่นเราก็ไม่ต้องเถียงกันนะใครจะฝึกแนวไหนใครจะฝึกมาจากสำนักไหน ลูกพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกันนะถ้าฝึกถูกต้องรู้กายถูกต้องเกิดสติรู้จิตถูกต้องเกิดสตินะทำํำรัศดีอันเดียวกันเกิดขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นแบบเดียวกันปัญญาก็เกิดอย่างเดียวกันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราบางคนเริ่มจากรู้กายก่อนบางคนเริ่มจากรู้จิตก่อนถ้ารู้ถูกต้องจะรู้ทั้งกายทั้งจิตพอถึงวันที่สติตัวจริงเกิดเราเลือกไม่ได้นะว่าสตินี้จะรู้กายหรือสตินี้จะรู้จิต เราเลือกไม่ได้มันจะรู้ทั้งกายทั้งจิตบางคนบางตาําราบางสํานักเขาเลยสอนบอกเบื้องต้นฝึกกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาอันใดนหนึ่งแต่เบื้องปลายจะไปลงที่ธรรมานุปัสนาด้วยกันทั้งหมดเลยคือเห็นทั้งรูปทั้งนามงั้นไม่ไม่ต้องเถียงกันนะสํานักไหนดีกว่าสํานักไหนทําถูกก็ดีเหมือนเหมือนกันทําผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือติดสมถมเหมือนกันหมดนั่นแหละ อาคุณสุนันเป็นไงคุณสุ น, น, นันเนนนหรอเ อ, เออนะเลยถูกไล่ตอนไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันบีบเนี่ยดูไปอย่างนี้นะเห็นไหมมันยังไม่ทันจะบีบมันเริ่มบีบแล้วรู้สึกไหมรู้เป็นนะท่านทาวีชัยเป็นไงท่านเที่ยงเนาะ ดีๆนะดีอะไรๆ ไ, ไม่สาคัญเท่าต้องมีสตินั่นดีที่เกิดสติจิตก็เป็นกุศลละ่ะนี่จะเป็นกุศลระดับไหนละ่ะกุศลธรรมดากุศลเพ่ทั่วไปก็อย่างหนึ่งกุศลอันหนึ่งก็คือจิตสงบไปได้สมถากุศลชั้นสูงเลยเกิดปัญญางั้นบุญที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยสติปัญญา แลนะบุญใจที่ยังไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่มีในการที่มีสติท่านดูออกไหมบางทีก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นวิปัสสนานะจิตพลิกไปพลิกมาถ้าขาดสติเดียวก็เป็นอกุศลจิตจะเผลอไปเป็นอกุศลเราก็เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะรวมเข้าไปสงบเป็นสมถะเราก็สั่งมันไม่ได้จิตจะเดินปัญญาเห็นความเกิดดับเราก็สั่งมันไม่ได้ จิตชอบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกม า, กมาเราดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งใจยอมรับไม่ใช่ตัวเราเลยตัวเราไม่มีท่านภาวนาเก่งอยู่แล้วนะดีแล้วอ่ะใครจะส่งกันบ้านต่ออ้าะหมูเป็นไง่าเลอเอาให้เปิดเปิดสั้นๆเนาะเปิดบ่อยๆ หมูทําตามรูปแบบบ้างไหมอย่าทิ้งนะการปฏิบัติในรูปแบบเหมือนเครื่องช่วยะเป็นตัวช่วยถ้าเราทิ้งไปเลยการทําในรูปแบบเนี่ยบางทีเราดูจิตไปแล้วเราบอกว่าเราดูจิตเนี่ยถ้ากําลังไม่พอนะมันดูไม่ถึงจิตหรอกไปดูอที่ขอบขอบไปดูที่ขอบนอกเพราะนใจเราต้องให้มันได้พักผ่อนบ้างสงบบ้างนะออกมาเจริญปัญญาบ้าง อาจารย์สุรวัตรเป็นไงอาจารย์สุรวัตรเอ่อเรื่องดีแล้วดูขันไปนะขันห้ามกระจายตัวออกไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้หลายแบบสอนกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเป็นส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่าง แล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีตัวเราเป็นองค์ประกอบของหลายหลายอย่างมารวมกันนี่การแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยท่านแยกไว้หลายแบบแล้วแต่จริตนิสัยของคนเรียนอย่างคนไหนที่ถนัดที่จะดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยท่านจะสอนเรื่องขันห้าเพราะในขันห้าเนี่ยแยกรูปเป็นอันเดียวแต่มีนามตั้งสี่อันมันจะหันมากระจายนามออกไปได้เยอะแยะเย่าอาจารย์สุรวัตรก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม ความรู้สึกสุขทุกข์กอันหนึง่งนะจิตที่เป็นกุศลกุศนะลอีกอันหนึง่งธรรมชาติที่เป็นคนรู้คนดูอีกงานหนึง่งจะกระจายนามนธรรมออกไปเยอะนะนี่บางคนที่ชอบดูรูปท่าจะสอนเรื่องอายตนนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายห่านเนี่ยมันรูปทั้งหมดเลยมนะีใจเป็นนามนธรรมมันเดียวนะนี่ท่านก็สอนอายตนะสําหรับคนที่สนใจเรื่องรูปนะถ้าบางคนชอบรู้กว้างขวาท่านจะสอนเรื่องธาต ถ้าจะมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรวมกันเยอะแยะเลยนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปธรรมใช่ไหมความรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามธรรมรูปเสียงกลิ load, ่นรสผลถั่ะเป็นรูปธรรมธรรมารมมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี่สําหรับพวกที่ต้องการรู้เยอะๆจดิษฐนิสัยต้องรู้ละเอียดรู้รู้มากอย่างเงี้ยจะเรียนเรื่องธาตุเนี่ยธาตุเรียนยาก พวกเราชาวเมืองพวกคิดมากเรียนเรื่องขัน ง, ง่ายที่สุดเรียนอัจฉระอย่างยากนะอัจฉรยนะอัจฉนะริยะนะเล่นเด็กพวกที่รู้กายเนี่ยจะทําได้ดีต้องจิตตั้งมั่นทําชานแต่การดูขันเนี่ยดูง่ายดูไปเลยเห็นมันกระจายตัวออกไปแล้วเราไม่มีแต่จารสวัสเห็นไหมว่าเรียนมีการหยิบฉวยจิตดูออกใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็จะหยิบฉวยจิตไว้ก่อนอย่างอื่นเลยหยิบเอามาดูดูไปนะ หวังว่าดูไปวันหนึ่งแล้วจะหลุดพ้นนะจะดูไปเรื่อยๆ ต, ตอนนี้หม่านผจนอาคุณแม่มหายไปนานเป็นไง อ, อะไรนะทำอะไรเหมือนเดิมแลนะ้วหัดนะหัเนะคุยน้อยๆ น, นะ อยากคุยเยอะคุยุยเยอะไม่ดีคุยเยอะแล้วฟุ้งซ่านดูยากนะไม่ ค, คลุกคลีคุยน้อยนอยดูเยอะเยอะเยี่ยงเป็นไงเยี่ยงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมัวหรือเดี๋ยวว่างว่างดูไปไม่เที่ยงสองงานนี้เสมอกันไหมหรือไม่เสมอมถูกต้องแล้ววัดใจเรายัางไม่เป็นกลาง ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะรู้ลงไปด้วยคุณวสันเป็นไงบูชาล่ะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เพ่งเกินไปอ้าวใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญอ้าคุณอ้อยอืม ทำในรูปแบบบ้างนะหมดเรี่ยงเนี่ยอ่ะกินนิดีกเมื่อวานเมื่อวานทที่วันเออดีแล้วดีที่รู้ทับางครั้งหนูดูแล้วเหมือนกับภาพตัวเองอตรงนเป็นทุกคนแหละมันอดภาคไม่ได้เจออะไรมันก็บรรยายไปเรื่อยๆบางทีก็สร้างตัวเป็นศาสตานะอบรมสั่งสอนตัวเองนะ กิ น, นก็ปรุงนั่นแหละปรุงดีอบรมตัวเองไปเรื่อยๆก็ารู้ทันแต่รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแตง ด, ดีแล้วที่เห็นใช้ได้แล้วดูไปด้วยดีขึ้นละสองคนนะใช้ได้แล้วนี่ดีเลยอเออดี เออดีๆที่เห็นนะเห็นไม่จิตไม่เที่ยงนะมาเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ได้สอนอะไรเยอะบอกําแล้วตำอีกนะสอนให้ดูสภาวะเราั้นถ้าเราเห็นสภาวะนะจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวฟุ้งซ่านดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดูไปเรื่อย ๆ, ป, อยๆปัญญาจะได้เกิดอย่ารีบร้อนไปดูความว่างนะเมื่อว า, านก็มีคนมาบอกไปเรียนมา บอกครูบาอาจารย์สอนให้ดูความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูความว่างท่านสอนให้ดูกายดูใจเกายานุปัสสนาก็ดูกายเมทนานุปัสสนานี่เป็นนามธรรมจิตตานุปัสสนานี่เป็นนามธรรมนั้นมีแต่เรื่องกายกับใจไม่มีสุญญาตานุปัสสนาไม่มีดูความว่างแต่พอเรารู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งจิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันค่อยว่าง มันว่างมันเป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางอย่ามาเป็นตัวปฏิบัตินะบางคนน้อมใจเข้าหาความว่างการน้อมใจเข้าไปหาความว่าง้็เป็นอากาศานณจา ย, ยตนะแน้อมไปเรื่อยจนไม่มีอะไรให้เกาะเลยนะก็เป็นอากิจัจายตนะเป็นอรูปฌานเพราะงั้นอย่าไปดูความว่างนะให้รู้กายให้รู้ใจไปเรียกว่ารู้ทุกการรู้ทุกเนี่ยแหละคือการปฏิบัติการเจริญมรรค อ่ะโยมคนไหนมีอะไรไหมเดี๋ยวนี้สอนเร็วนะอะอ่าเชิญวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่เป็นตัวไปรับรู้อารมณ์ ความคิดเป็นธรรมารมมันหนึง่งนะความคิดไม่ใช่จิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึง่งคําว่าธรรมารมเป็นธํากว้างคือทุกสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมารมณ์เริ่มได้แต่รูปบางอย่างอย่างเราหลับตานะแล้วเราขยับเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาเนี่เรียกว่า pine. รูปที่เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเป็นธรรมารมณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นธรรมนะ า, ญญ า, า, า ร, ญญา ร, รม สมมติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเป็นธรรมารมณ์นิพพานก็เป็นธรรมารมณ์นพราะฉะนั้นธรรมารมณ์มีเยอะเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเรียกสมมุติบัญญตัติไม่ใช่จิตนะเรื่องราวที่คิดแล้ถ้าอนิจจ์เริ่มเริ่มดูว่าจิตเริ่มเกิดอะไรที่มีข้อควรระวังไม่มีข้อควรระวังอะไรอย่าไปแทรกแซงมันก็แล้วกันนะพอเริ่มสกิสติเกิดอยากให้สติเกิดบ่อยๆว่าอยากจะรู้ว่า กิเลสมันเกิดตอนไหนพยายามไปดักเอาไว้ก่อนว่าเนี่ยแทกแต่งละผิดปกติละให้ตามรู้ไปตามธรรมชาติอย่าไปดักไว้ก่อนนะอ่ะแาแม่เมย์ว่าไงแม่เมย์อ่ได้ใช้ม ส, มมสมาธิเป็นที่พักพ่อนนะ แล้วไม่เมย์เจริญเมตตาให้เยอ ะ, อะนะพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงคนอื่นก็นึกถึงให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยเกลียดคนไหนก็นึกถึงบ่อยๆนะขอให้เขามีความสุขนะนะพยายามเจริญเมตตาเยอะๆจิตนะใจได้มีความสุขเยอะๆอะ่อาแถลงข่าวหน่อยเนาะอีกหลวงพ่อจะสอนที่นี่อีกสองวันนะพรุ่งนี้กับมาลืน หลังจากนั้นจะต้องย้ายย้ายไปอยู่ศรีราชาบางคนถามว่าทําไมต้องไปอยู่ชนบุรีอยู่ที่ไปอยู่ชนบุรีเพราะว่าหลวงพ่อมนตะรีนท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นก่อนหลวงพ่อะหลวงพ่อก็เคารพท่านเหมือนพี่ชายนะท่านเหมือนพี่ชายเพราะพ่อเราตายคือหมดหลวงปูนะ่แล้วก็รู้สึกว่าที่พึ่งของเรานะก็คือพี่ชายเรายัางอยู่แต่หลวงพ่อเ ป, เป็นน้องที่ไม่ยุ่งกับพี่นะ เรารู้ว่าพี่รักเราแต่เราอยู่ห่างๆนานๆนนมีธุระถึงยเยี่ยมเยี่ยมนี่ท่านก็ห่วงหลวงพ่อท่านบอกว่าอยู่ตรงนี้นะทำประโยชน์น้อยไปพอเราภาวนาแล้วก็อยากให้ไปทำประโยชน์ที่เยอะกว่านี้อย่าไปอยู่ที่แคบๆทำประโยชน์ได้น้อยหลวงพ่อก็เลยมานั่งคิดกันคนในวัดเนี่ยนั่งคิดงั้นเราขยายที่ข้างๆนี้ ซื้อที่ต่อไปนะสร้างศาลาใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แหละ mm hmm. ตอนเช้าเราคุยกันอย่างนี้ตอนบ่ายๆท่านก็ให้คนโทรมาบอกนะว่าที่เก่านี้ไม่เอาหนกุกหู mm hmm. ชาวบ้านแถวนี้ชอบเปิดเครื่องเสียงเสียงดังที่นี้ไม่เอา mm hmm. อีกวันหนึ่งเราก็มาประชุมใหม่ mm hmm. งั้นเราย้ายไปอยู่ใกล้ๆหน่อยอยู่นภัทฐถสมเน mm ี hmm. ่ยชาวนภัทฐถสมมาที่นี่เยอ ะ, ะ mm hmm. บ่ายๆท่านก็โทรมาอีกละให้คนบอกมา แล้วความผสมไม่เอาเหม็นขี้หมูหลวงพ่อเอ๊ะตรงไหนก็ไม่เอาสักทีหนึ่งเนาะหลวงพ่อก็เลยไปกลับเรียนท่านไปหาท่านะไปถามท่านเลยว่าท่านจะให้อยู่ที่ไหนบอกมาเลยนะอท่านบอกให้ให้ไปอยู่ชนบุรีอา้าวท่านให้ไปอยู่ชนบุรีผมจะไปอยู่ชนบุรีนะเพะฉะ้เลยจะไปอยู่ชนบุรีอันนี้ท่านก็ให้คุณอ้อยคุณที่ตีนา่าดนะัทัาสรุบ้านไปอยู่ชนบุรี ให้เป็นเป็นอะไรแกนกลางในการไปหาที่ไปสร้างขึ้นมานะที่ใหม่อยู่ที่บ้านโค้งดารานะชื่อบ้านโค้งดาราทางเข้าบ้านโค้งดาราเนี่ยถ้าเราไปถนนบายพาสนะ อ, าออกจากมอเตอร์เวย์ไปจะเข้าบายพาสไปจะไปพัทยานะก่อนจะถึงซอยสวนเสือซอยหนึ่งจะมีทางเข้าทางซ้ายมือเข้าบ้านโครงดาราก่อนถึงสวนเสือ ฝั่งตรงข้ามกับซอยที่จะเข้าบ้านโค้งดาราเนี่ยมีร้านขายของแม็กกิมบวยยนี่มีแลนด์มาร์กนะคือแม็กกิมบว้ยเข้าไปก็เก้ากิโลนะเข้าไปถนนลาดยางตลอดแต่ขับรถต้องระวังเพราะว่ามีรถมรทุกสายเยอะนันถนนบางทีเป็นหลุมเหมือนกันถ้าใครเข้าซอยบ้านโค้งดาราไม่ทันซอยถัดไปคือซอยส่วนเสือเข้าได้เหมือนกันเข้าซอยสวนเสือไปวิ่งผ่านหน้าสวนเสือนะ พอพ้นสวนเสือปุ๊บพ้นหน้าสวนเสือปุ๊บเนี่ยจะมีซอยเลี้ยวซ้ายติดกับรัวสวนเสือเขาอีกแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยมันจะไปชนกับถนนที่เข้าบ้านโค้ตดารานั่นแหละมันบกลับตรงมาเพราะงั้นไปง่ายนะไปง่ายแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปหลวงพ่อพบว่ามีคนแอบไปเรื่อย <c oughs> ๆแล้วพวกช่างนะเขายุ่งยาก เขาก็จะรีบทํางานทั้งวันทั้งคืนยิ่งช้าเปิดได้ช้านะพวกเราเสียผลประโยชน์เพฉ้นตอนนี้อยเพิ่งไปยุ่งกับเขาให้เขาสร้างให้เสร็จก่อนนะจะเปิดเราเราปลายเมษาหรือต้นๆ้นพฤษภานะวันที่เจ็ดพฤษภาเนี่ยจะเปิดวัดเดี่ยวเป็นทางการนะวันที่เจ็ดพฤษภาญนะาติโยมก็เป็นนิมนต์สมเด็จวัดสัมพันธ์วงศ์และมหาวีรนะบุรุษไปเป็นประธานเปิด นี่แถลงข่าวให้ทราบนะไม่ใช่เพื่อให้ไปนะบอกตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะรอให้เปิดก่อนแล้วค่อยไ ป, ไปนะส่วนมันเปิดใครจะไปก็ไม่เป็นไรไปได้นะนี่หลวงพ่อจะสอนที่นี่อีกสองวันสองวันงั้นไม่ได้หายไปไหนนะไม่ต้องตกใจระหว่างนี้จะไม่เจอหลวงพ่อประมาณเดือนหนึ่งเนะี่ยระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ฟังตีเดียว รับรองซีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบนะีดีนี่โยเป็นคนทำให้นะคุณโยหายไปไหนละโยอ่อนนั่นนะเอาตบมือให้โยหน่อยนะบางคนก็สงสัยแล้วที่นี่ทำยังไงรู้สีห่วงสมบัติคนอื่นนะที่นี่เดิมเป็นที่ของเสียอาในบ้านอยู่ติดกันเนี้ย เขถวายให้ท่านอาจารย์สุจินท่านอาจารย์สุจินท่านเป็นลูกสิธิ์หลวงปู่ดูลเหมือนกันลูกศิษย์หลวงปู่หลุยลูกศิษย์หลวงปู่ดู ล, ลยลล์ท่านตอนนี้ท่านอยู่ที่แม่สอดนะงั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของท่านเดี๋ยวท่านก็หาพระมาอยู่เองเนี่ยตอนหลวงพ่อจะบวชก็หาที่จะบวชนะหลวงพ่อมนตรีเป็นคนชวนหลวงพ่อบวชเป็นคนชวนบวชแล้วท่านติดสินบนหลวงพ่อเยอะเลยะบอกว่าถ้าหลวงพ่อบวชแล้วท่านจะให้อยู่ด้วยตอนนั้นท่านยังไม่เคยรับไปเลย นะท่านจะให้อยู่ด้วยหลวงพ่อก็ยังเฉยเฉยนะอีกทีหนึ่งท่านก็บอกถ้าบวชนะท่านจะพาไปทุดงไม่เคยพาใครไปทุดงนะจะพาไปหลวงพ่อก็ยังเฉยเฉยท่านก็เอาอีกถ้าบวชนะจะเล่าการปฏิบัติของหลวงปูดูลให้ฟังนะล้วก็ยังเฉยเฉยอีกนะเสร็จ แ, แล้วท่านก็เลยวันนึงท่านเลยจวบก็ให้นะบอกคนมันตมานะไม่อยากปฏิบัติ เนี่ยหลวงพ่อนะเลยหลวงพ่อมนตรีท่านเป็นคนชวนให้บวชนะพอบวชแล้วเขียนจะตอนจะบวชนะเขียนจดหมายไปบอกท่านเอาละผมจะบวชแล้วจะมาอยู่ด้วยนะท่านก็บวชปูปีปูปีแหมความจําดีเลยแล้วตัด น, นั้นท่านยังไม่ได้รับตละไ้ ด, ด้วยหลวงพ่อบอกอ้าวท่านไม่เต็มใจนะยังไม่อยากให้เราไปอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ไปอย่างเงี้ดีถ้าจะสุจรินท่านมีที่ตรงนี้ก็เลยมาช่วยกันสร้างที่ที่นี่ขึ้นนะ ลูกศิษย์รุ่นแรกๆลูกศิษย์พวกพวกที่เล่นเน็ตนะมาช่วยกันสร้างที่นี่ขึาา้นแต่ศาลานี้มีคนเดียวเลยนะสร้างคือก้องเป็นคนสร้างชื่อด็กเตอร์ก้องลงทุนสร้างดกเรก้องก็เลยบ่นนะบอกหลวงพ่อไม่ได้ย้ายศาลาไปด้วยเ <c oughs> <c oughs> สาาียดายศาลานี้ได้ทําประโยชน์แล้วนะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วไม่ได้เสียเปล่าไว้ไม่เจอกันเดือนหนึ่งนะไม่เจอกันเดือนหนึ่ง ภาวนาไม่ใช่เรื่องแปลกสมัยก่อนที่หลวงพ่อหัดภาวนานะสามสี่เดือนถึงจะไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งไม่ได้ไปบ่อยๆเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานอยู่ไกลนานๆจะไปได้ดีเวลาที่เหลือที่เราไม่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องช่วยตัวเองนะคือโยนิโสมานสิกะสิ่งที่จะช่วยเราให้ปฏิบัติทำไปได้มีสองอย่าง อันหนึ่งคือกรารยานามิตรได้แก่ครูบาอาจารย์อันที่สองคือโยนิโสมนาสิกาใครมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่งนี้ก็พอไปได้ละเราพุทธเจ้าเคยสอนนะว่ากรารยานามิตรคือทั้งหมดของอริยมรรคอีกที่หนึ่งท่านสอนในโคลาวารากันท่านก็พูดว่าโยนิโสมนาสิกาคือทั้งหมดของอริยมรรคคือเครื่องหมายแรกของอริยมรรค เพราะฉะนันาเราหาครูบาอาจารย์เราก็ใช้โยนิโสมนัิการโยนิโสมนัสการไม่ใช่แปลว่าคิดตงต้านคิดพิจารณาธรรมะไม่ใช่มันเป็นการพิจารณาอย่างแยบข่ายแยบข่ายเนี่ยเอาอะไรวัดไม่ใช่เอาตัวเองวัดต้องสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างบางครั้งหลวงพ่อเคยภาวนาสมัยก่อนจินไปนสว่างนิ่งๆอยู่อย่งี้เรารู้สึกว่าดีไม่มีกิเลสแต่หลายหลายวันนะมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะ เราก็ต้องแยกขายให้ทําไมมันเที่ยงถ้ามันเที่ยงมันของเที่ยงมันไม่ใช่ของจริงหรอกนะต้องเป็นสิ่งที่เราไปสร้างขึ้นมามันถึงได้เที่ยงเที่ยงอยู่อย่างนั้นเราน้อมใจเข้าไปจับความว่างว่างไว้เนะนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตว่าอะไรที่มันขัดกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะหรือบางครั้งเราไปได้ยินใครเขาพูดเรื่องกรรมฐานอะไรดูแปลกๆดีน่าจะดนะนะีเช่นเขาไปดูหายใจเข้าไปสุดลมหายใจอยู่ที่ไหนกําหนดลงไปตรงนั้น ทำกิจให้ว่างไปเลยให้โลกนี้หายไปทั้งโลกฟังแล้วน่าจะดีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโยนิสโสมนานศิการจะแยบขายถ้าพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้าดีจริงท่านคงสอนไปแล้วหรือถ้าเราได้ยินบอกว่ากรรมฐานอย่างนี้เท่านั้นดีที่สุดอย่างอื่นไม่ดีอันนี้ก็ไม่มีความจริงเพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ากรรมฐานอะไรอันใดอันหนึ่งดีที่สุดกรรมฐานนั่นดีที่สุดสําหรับแต่ละคนเรา เพราะนั้นแต่ละคนก็มีทางเฉพาะตัวยอย่างคำว่ากรรมาฐานอย่างนี้เท่านั้นที่ถูกอย่างอื่นผิดไ เ, เนี่ยนี่เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นราดขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่ถ้ายังอะไรอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานสี่อยู่ในเรื่องการเจริญสติที่ถูกต้องนะก็ใช้ได้ทั้งหมดเล ย, น, ย, ย, ย, เยนีค่อยๆเรียนค่อยๆฟัง ค, ค่อยสังเกตนะ หรืออย่างสมมุติว่าเรานั่งหายใจไปนะใจสว่างว่างนะบางคนคิดว่าเป็นพระอรหันทุกเช้าเลยพอตื่นขึ้นมาใจมัวหน่อยหน่อยรีบหายใจแล้วใจก็ว่างขึ้นไปอีกนะนี่เป็นพระอรหันที่หันเข้าหันออกนะอย่างนี้แล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการไม่ใช่ของแท้เนี่ยต้องค่อยๆสังเกตเอาต้องช่วยตัวเองให้มากๆอย่าเกาะครูบาอาจารย์อย่าพึ่งแต่ครูบาอาจารย์ต้องช่วยตัวเองให้ได้หลวงพ่อนะไม่เกาะครูบาอาจารย์เลยนะ ไปหาหลวงปู่ดูลนะไปเรียนแป๊บเดียวกลับมาละไปหาท่านครั้งแรกอ่ะร่วมชั่วโมงนะใช้